นั้นจะเห็นมหูอวิชชาเนี่ยมากมายขนาดนะ้นแต่นี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจจริงๆนะถ้าเป็นผู้ที่รอบรู้นะสามารถที่จะเล่าเรื่องนี้ได้เป็นพุ่งเป็นแควเป็นตุเป็นตาไปหมดเลยเพราะว่าในนี้มันมีอุปาทานขันห้านั้นอุปาทานขันห้าปั๊บผู้ที่เข้าใจเรื่องปัจจัยปุ๊บก็จะเอาเรื่องปัจจัยต่างๆมาค้นคิดมาวิเคราะห์แม้แต่มหาภูตรูปนะมายังเรียนไม่จบเลยไหนะมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาม มหาภูตรูปหนึ่งออกมาตั้งปฐวีเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่เหลือเตโชเป็นปัจจัยแกมหาภูตรูปที่เหลือวาโยเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่เหลืออาโปเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่เหลือได้กี่ข้อแล้วสี่ข้อแล้วใช่ไหมมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งอันนี้ก็สี่ข้อมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสอง เอาปัทวีกับอาโปมาตั้งเตโชวกวาโยตามเสร็จแล้วก็ค่อยๆตั้งลําดับคือตัวตั้งเขาเรียกว่ามูละแล้วต่อด้วยมูลีนั่นแหละสองเป็นปัจจัยแกสองนะมาเรียงเข้าหูเยอะแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยแปดสิบกว่าแล้วทีนี้สิบกว่านะเอาสมุทฐานสี่มาคูณเข้าปัทวีเตโช ว, วาโย ο, ซึ่งเป็นปัจจัยแก่กันนั้นด้วยอํานาจของรูปที่มีคำเป็นสมุทรฐานเป็นยังไง ถ้ามีอุตุเป็นสมุทฐานเป็นยังไงถ้ามีจิตเป็นสมุทฐานเป็นยังไงถ้ามีอาหารเป็นสมุทฐานมาเป็นยังไงนะเพิ่งจะว่าไปเพิ่งมามานั่งคิ ด, ค ด, ค ด, คดเรื่องนี้ได้ไม่กี่วันนี้เองเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยเราอ้อ่านปั๊บเนี่ยยิ่งถ้าจามท่านเคยทําตารางให้ดูพับ๊บโอ้สบายมากเห็นแล้วเข้าใจทันทีเลยโกว่าจะรู้ว่าไอ้ที่ว่านั้นอ่ะคือมันผ่านตาเฉยๆหมากว่าจะรู้ว่าไม่รู้นี่มันยากจริงๆเลยนะ นี่ตอนหลังมาศึกษาพระธรรมะอะยังไงนะเห็นว่าเออเราไม่รู้นี่ก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นเยอะแหละก็ไม่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เลยเอาจริงๆเถอะรู้อะไรบ้างอ่ะเราเคยถามนะเคยถามลองถามตัวเองดูนะในโลกนี้เรารู้เรื่องอะไรจริงบ้างสักเรื่องหนึ่งยกหนึ่งเรื่องเลยเอาเรื่องนั้นให้มันเข้าใจให้มันตลอดสายเลยนะคล้ายๆกับทําวิจัยโอ้คนนี้จบ เรื่องแมลงเนี่ยเขารู้เรื่องแมลงตลอดสายเขาสามารถได้เล่าอย่างละเอียดเป็นตุเป็นตะเลยของเรานี่เรื่องชีวิตของเราเนี่ยเราเข้าใจส่วนไหนมากที่สุดลองขยายเรื่องชีวิตของเราสักส่วนหนึ่งเลยนะเราจะเห็นว่าโอ้โหเข้าใจข้อไหนบ้างก็นไปรู้นั่นเราจะรู้ว่าโอ้โหตกอยู่ในอวิชชาซ ะ, ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความสำนึกตัวเพว่าเราเนี่ยอยู่ในห้วงแห่งอวิชชา เมื่ออยู่ในห่วงแห่งอวิชชานั้นเป็นผู้ที่ถูกทุกครอบงำแล้วเป็นผู้อย่างลงในทุกแล้วนั่นแหละอย่างลงในอวิชชาอย่างลงในความมืดความไม่รู้เราก็เลยนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ชี้เรื่องชีวิตให้เรามองเห็นทุกแง่ทุกมุมพระธรรมคําสอนของท่านเป็นพระธรรมที่แยกแยะในความจริงของสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเห็นตาม ตามที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นนั่นแหละเป็นพระสงฆ์ันั้นเรานับถือในวัตถุคือพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์นี่แหละว่าเป็นสารณะว่าเป็นที่พึ่งทีนี้เราก็ไว้วางใจมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าต่อไปเราจะทำอะไรจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเราเอาพระธรรมมาตั้งเลยหรือเอาพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสไว้อย่างไงในเรื่องนั้นนั้นใช่มเราจะพูดถึงเรื่อง ตาเรื่องสีเรื่องจักรคูวิญญาณเรื่องทัะเวทนาเรื่องโลภะโทสะเรื่องสภาพจิตต่างๆเหล่านี้พระธรรมกล่าวถึงชีวิตในส่วนนั้นไว้อย่างไงนั่นแหละในชั้นต้นนึกถึงพระธรรมก่อนเพราะถ้านึกถึงพระธรรมเท่ากับพระธรรมพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แสดงไว้เป็นผู้ตรัสเอาไว้เราก็จําสูตรไว้ก่อนในชั้นต้นในเรื่องนั้นพระองค์ตรัสไว้ยังไงเช่นขันห้าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไงทํา ไ, ทไมจึงจําแนกเป็นขันห้า เมื่อกี้เราบอกว่าเออนี่เป็นขันห้าเนี่ยรู้แล้วด้วยเหตุเท่าไหร่หนอจึงเรียกว่าขันห้าอ่นะเมื่อกี้บอกว่าไอ้ชักรู้ขันห้าไปเยอะแล้วนะ<ม>เพราะขันเหล่านี้ต่างด้วยเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยากละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลพอเอาเงื่อนไขที่เบ็ดอย่างมาจับไปชักชักยุ่งอีกแล้ว ทีนี้ถามว่ารูปเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันมีกี่กี่ลักษณะด้วยกันบางอย่างเป็นปัจจุบันนะอัธาบางอย่างเป็นปัจจุบันนะสันติบางอย่างเป็นปัจจุบันนะสมัยบางอย่างเป็นปัจจุบันนะขณะเพราะฉะนั้นถ้าอัธาเนี่ยก็คือรูปอันนี้ในปัจจุบันในชาตินี้เป็นปัจจุบันนะในชาตินี้เลยเรียกโดยอัธาเนี่ย ก่อนหน้านั้นน่ะอดีตชาติเคยมีแขนแบบไหนมาอันนั้นเป็นอดีตอาถาแขนที่จะมีในอนาคตต่อไปนี่เรียกว่าอนาคตตัอาถานี่ก็เรียกว่านี่ก็ความเป็นขันห้าของรู ป, ปรขันทีนี้ในรูปอันนี้นี่เป็นปัจจุบันนะสัน ต, ติอย่างไรสัน ต, ตินั้นก็คือว่ารูปเหล่านี้เนี่ย กิด้วยสมุทฐานสี่ใช่ไหมแขนส่วนี้ส่วนที่มีกรรมเป็นสมุทฐานนสืบเนื่องมาตลอดเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นการมาสมุทฐานสืบเนื่องแล้วก็กว่าจะจุตินั่นแหละถ้าเป็นอุตุเอาจิตสมุทฐานก่อนจิตที่ทําให้ขยับพเพื่อนเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งต่อต่ อ, ตอแต่ละขณะนี้เป็นปัจจุบันก่อนที่จะมาขยับมืออย่างนี้เป็นอดีตหลังการขยับมือพุวงนี้เป็นต้นไปเป็น อนาคตนี้เอาจิตเป็นสมุทฐานถ้าหากว่าเอาอาหารเป็นสมุทฐานนะ น, น, น, นี่นานหน่อยนะอาหารที่ถ้าถ้าเขาบอกว่าหมดแรงเข้าวต้มมันเคยได้ยินนะเราเคยสมมุติว่าบางครั้งนั่เราบางวันเนี่ยไปฉันข้าวต้มขึ้นมาก่อนเช้าโยงก็เลี้ยงข้าวต้มใช่ไหมอได้ฉันเพลเสร็จแล้วเรารีบไปทําอะไรนะทําเสร็จเพลียมจะยกแขนจะยกไม่ไหวหมดแรงข้าวต้มนะเขาบอกว่านั่นแหละตั้งกาด ทำช่วงหนึ่งเพราะอาหารมื้อนั้นเนี่ยทาให้มีแรงอยู่ได้เท่าไหร่นั่นก็คือหนึ่งหนึ่งสันธติก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตนี่เรียกว่าปัจจุบันสันติของอาหารเชรูปของอุตุเชรูปอะ่ะใช่ไหมถ้าโหถ้าอยู่อย่างนี้ทีแรกมันเย็นใช่ไหมเราก็มาจับมาอย่างนี้มากรมาไวให้แน่นสักพักความร้อนมันเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นช่วงความเย็นที่มันสืบเนื่องมานั้นเป็นปัจจุบัน ก่อนเย็นนั้นเป็นอดีตหลังนั้นมามาอุ่นก็เป็นอนาคตไปทีนี้ในช่วงอุ่นเนี่ยไอตอนเย็นนี่เป็นอดีตกำลังอุ่นเป็นปัจจุบันเลยจากนั้นไปอีกเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นอุตุส ม, มุทนานี้ก็ยาวเนื่องตามแต่อุตุส ม, มุทนานั้นนีนเขาเรียกว่าพิจารณารูปประคันโดยอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยสัน ต, ติ ใช่ถ้าโดยสมัยสมัยที่ช่วงเช้าสายบ่ายค่ำช่วงนี้เช่นช่วงนี้เวลามาศึกษาพระธรรมกันแล้ในรูปประคั น, นี่ยังต่างโดยอดีตอนาคตปัจจุบันและในตัวเขาเองก็เป็นอุปาทีติพังคะอันนี้โดยอภิธรรมนัยในซึ่งละเอียดหน่อยนั่นะมีอายุก็บอกว่าขณะของรูปมีอายุช้ากว่าจิต17โดดวงซึ่งเร็วมาก เมื่อพูดถึงตรงนี้นะฮะผมนึกถึงนักมวยครับนักมวยเนี่ยนะฮะขณะที่กําลังต่อยยกหนึ่งก่อนที่จะพักนะเริ่มต้นชกจนกระทั่งจบน ะ, ะจิตของกันจิตของแกนเนี่ยเป็นโทสะตลอดเพราะฉะนั้นรูปนะฮะซึ่งมันเป็นจิตตะรูปอะ่ะมวยเมื่อที่ต่อยออกไปเน่ะนะเกิดนะจากจิตตชวายโยธาเนี่ยมันต่อยตลอดเนี่ยนะ ถามว่าปัจจุบันสันตติเนี่ยมันยาวได้เหมือนกันเนาะใช่พอถ้าจิตถ้าจิตมีจิตมันยาวอ่ะเช่นคนเข้าสมาบัติเจดวันเนี่ยก็ถือว่าจิตตชูรูปหนึ่งสันตติเจ็ดวันเลยเพราะฉะนั้นเขาว่าปัจจุบันสันตติเนี่ยนะกล่าวไว้เลยว่าขึ้นอยู่ที่ชาวนะซึ่งมันเป็นชาวนะเดียวกันนั่นแหละถ้าโทสะก็โทสะนะติดต่อกันหลายชาวนาติดต่อกันนะเป็นปัจจุบัน ก่อนต่อยเป็นอดีตต่อยต่อยเสร็จเป็นแล้วอนาคตอนาคตโดยสันตติใช่ไหมเออมันจริงมันมีเรื่องที่น่าคิดหลายเรื่องกันเนาะออในในเรื่องของขันห้าเนี่ยทําให้เราเห็นว่าแม้แต่เรื่องการขยับมือเนี่ยเรารู้เรื่องนี้ไม่จริงถ้อเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะแล้วเราเวลาเราพิจารณาบอกว่าอ้าวต้องมีอารมณ์เป็นปัจจุบันดิใช่ไหมครับเออแบบปัจจุบันยังไงยังไงยัง ปัจจุบันตั้งหลายอย่างหนั่นวิปัสสนานั้นวิปัสสนาในทั้งปัจจุบันนะสันตติและปัจจุบันนะอัฏฐาด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันนะขณะถ้ามีถ้ามีปัญญาพอนั่นแหละก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่ท่านเน้นที่ปัจจุบันนะสันตติสันตติสักสามสี่ชั่วโมงก็ให้มันเข้าใจเถอะนะโดยอดีตอนาคตปัจจุบันนี้จึงเรียกว่ารู ป, ปรขันและยังมีอีกนะ ภายในภายนอกใช่ไหมแต่ เ, เมื่อกี้เรายกถึงแขนนิ้วเนี่ยคนอื่นก็มีของเราเป็นรูปประคันอย่างนี้คนอื่นก็เป็นรูปประคันเป็นภายในกับภายนอกในก็คือในตัวเรานอกก็คือในตัวคนอื่นก็เป็นรูปเหมือนกันนะภายในภายนอกแล้วก็หยาบละเอียดหยาบแต่ละเอียดนี่เป็นยังไง น, นะเขาบอกว่าเมื่อเทียบในแขนกับ แขนของคนบางคนก็ละเอียดกว่าของคนบางคนถ้าของพวกที่ทําไร่ไทยนาจับจอบจับเสียมเยอะๆมันก็หยาบกว่าจับปากกาถ้าคนที่ไม่เคยจับอะไรเลยก็แขนก็อ่อนไปตามนั้นนิ่มไปตามนั้นเสร็จแล้วถ้าคนเหล่านี้เมื่อเทียบกับเทวดาก็ หยาบกว่าเทวดาชั้นหยาบละเอียดเนี่ยแตกต่างกันเทวดาก็ละเอียดไปตามชั้นสูงสูงสูสูงๆไปเรื่อยๆนั่นแหละทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้และไกลนใกล้ไกลนั้นในในแขนเนี่ยก็ยังมีรูปบางอย่างเป็นมหมาูตรูปบางอย่างเป็นสุขุมมารูปบางอย่างเป็นรูปหยาบบางอย่างเป็นรูปละเอียดทั้ในตรงนี้เองในเรื่องแขนนั้นการวิจัยลักษณะนี้เป็นเรื่องของปริญญาเนี่ย พอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเข้าอุปมาอุปมารูปประคันอุปมาเหมือนกับเหมือนกับอะไรยังไงก็ได้เหนะ็นไหมรูปประคันอุปมาเหมือนกับฟองน้ําใช่ไหมเหมือนกับฟองน้ําเวทนาขันเหมือนกับต่อมน้ำใช่ไหมสัญญาขันเหมือนกับพยับแดด สังขารขาคารเหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณขาคารเหมือนกับนักเล่นกดะเพราะอุปมาและสิ่งเหล่านี้นะมันก็เป็นอย่างนี้อะไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนอะไรดันั้นถ้าเอาอุปมาต่างๆมาจับมาเกิดการเปรียบเปรียบเทียบแล้วก็ทําวิจัยลักษณะ น, นี้มากๆอันนี้แหละเป็นไปเพื่อการสิ้นทุกข์ถ้าสมมติว่า เราเอาจิตตัชรูปของนักบวยคนนั้นเนี่ยมาพิจารณาในลักษณะปริญญานี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นขันพาเป็นขันภายในภายนอกเป็นภายนอกเจตภาะเป็นขันภายนอกเจตภาะแล้วก็ขณะที่เขาล้องต่ออยู่เนี่ยเราพิจารณาได้ก็เป็นอารมณ์ที่เป็นภายนอกภายนอกแล้วเป็นปัจจุบันปัจจุบันส<ช>ัตตติถูกใช่ไหมครับเนทภาตั้งแต่เริ่มชกกระทั่งชกจบยกเนี่ยหมายความว่ า, วา พิจา ร, รณาได้ตลอดสามารถพิจา ร, รณาได้ด้วยปัญญาเจ น, นานหรือว่าในอดีตก็ได้หรือว่าเมื่อเขาชกไปแล้วกลับมาบ้านยังคิดยังนึกถึงไ อ, อ้ ugi, จิตตะรูป น, นั้นอยู่เจนานก็ได้ันนั้นก็เป็นอดีตไเปเป็นอารมณ์อดีตเจนพเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็ได้เจนารเพราะว่าวิปัสสนานั้นมีอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกทั้งปริตะและมหคตะ <toothpaste. S 1> นั่นแหละ กานวิปั ส, สนาไม่ใช่แค่ไปจอๆเท่านั้นนะมันเป็นเรื่องของการทำวิจัยอ่ะปริญญาสามอ่ะนั่นแหละหรือสัพชัญญาสี่เพราะฉะนั้นพอวิจัยอย่างนี้เสร็จนะมารู้เรื่องเหตุเกิดความดับอัาฐะอาทินวะและนิสรณะของสิ่งนี้อีกครั้งนะไม่ใช่รู้แค่นี้มันรู้จนละเอียดอ่ะละเอียดจนว่าที่ไหนมีแขนไม่น่ายินดีทั้งนั้นล พบใดก็ตามถ้ามีแขนเกี่ยวเนื่องกับอุปาทานขันห้าไม่เที่ยงครั้งนั้นแหละก็บอกว่าพบสามเหมือนถูกไฟไหม้อ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ตรงนี้น่าเบื่อจังนวกเกิดเป็นเทวดานะมือแบบนี้ไม่มีอีกแล้วจะได้มีมืองามๆกันนี่กไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายินดีลักษณะนั้นไม่ใช่เลยยินดีเราดูเห็นแค่เขาต่อยมวยแล้วเรามาวิจัยนะโอ้โหมันเรื่องมันเยอะนะครับเจนทานเขาต่อยด้วยจิตอะไรรูปอันนั้นเกิด <ừ. S 2> เพราะมีอะไรเป็นสมุทฐานในนี่นะครับแล้วก็มีมี มันเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยอะไรเนี่ยแล้วมันดับไปด้วยปัจจัยอะไรเนี่ยมันมีโทษมีคุณอะไรยังไง ม, มันมีเรื่องที่วิจัยเยอะผมว่าเยอะนะอะถ้ามาเขียนถ้าจะได้ไหลหน้าเจนพานี้เราไม่ต้องเขียนเลยเราก็นึกเอาพระสูตรของพระผู้มีพระภาคอ่ะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างไงบ้างนะพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องอย่างนั้น เ, เรื่องราวเหล่านั้นว่ายอย่างไรในฐานะที่เรามีพระธรรมเป็นสารณะใช่ไหมมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงค์เป็นสารณะเนี่ย ขภาศาสดาของเราเนี่ยตรัสไว้อย่างไงถ้าเป็นภิกษุสมัยก่อนนะถ้ามีคนเขากล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะบอกจักรู้เนื้อความแห่งภาษิทนั้นที่สํานักพระผู้มีพระภาคเขานับถือมากเขาเคารพเขายําเกรงฉันใดก็ดีของพวกเราก็เหมือนกันเราก็พยายามนึกถึงพระธรรมที่เราได้ศึกษามาว่าในเรื่องนั้นๆเนี่ยพระธรรมกล่าวไว้อย่างไรนั่นแหละพอพระธรรมกล่าวแล้วธรรมะของพระผู้มีพระภาคนั้นมีความพิเศษเป็น อาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานะกัลยานังสาถังสัพยัญชนะงเกวละปริปุณังปริสุทธังบรมจาริยังตกาเสสิพระธรรมที่พระมูมีพระภาคทรงประกาศทรงแส ด, ดงไว้แล้วนั้นเป็นพระธรรมที่ไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุดไพราะในเบื้องต้นคือด้วยศีลไพราะในท่ามกลางด้วยอริยมยรรตไพร่ในที่สุดด้วย นิพพานในหนึ่งไตเราะในเบื้องต้นด้วยทานไตเราะในท่ามกลางด้วยศีลไตเราะในที่สุดด้วยภาวนาเพราะฉะในบทธรรมนั้นๆที่เรากําลังเอามาคิดเราก็ต้องมาเข้าแบบฟอร์มเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเป็นพวกที่ไปเรียนตรเพพีเทพเขาจะเขาจะตรึกถึงวิชาของเขาอะไรเป็นเบื้องต้นของวิชาของเขา อะไรเป็นท่ามกลางส่วนใหญ่เขาก็หาที่สุดของวิชาของเขาไม่พบเสร็จแล้วเขาก็มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วจะรู้ในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของของพุทธศาสตร์เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดและคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นศาสตร์ถังสาพยัญชนะถึงพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะสังกาสนาปกาสนาวิวารณานะ เรกว่าประกาศเปิดเผยทำให้ตื้นนั่นแหละประกาศแต่งตั้งจำแนกอย่างละเอียดซึ่งความจริงของสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเป็นพระธรรมที่แสดงบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถามว่าบริบูรณ์แค่ไหนเกวลังเนี่ยบริบูรณ์แค่ไหนนิพพานเลยนั้นพระธรรมหมวด น, น, นั้นที่เรามาคิดนะต้องอย่างถึงนิพพาน ถ้าเป็นพระธรรมที่สมบูรณ์จริงๆอ่ะต้องอยังถึงอริยสัจได้นิพานก็คืออริยสัจนั่นแหละเป็นนิโรธสัจจะเพราะฉั้นพระธรรมหมวดใดก็ตามถ้าเรามาตรึกเราต้องอยังในอริยสัจได้ถ้ายัางในอริยสัจได้ก็แสดงว่าชักเข้าเขาละที่เรณาบ่อยๆก็เข้าเขาแต่ถ้าหากว่าเอาพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งมาตรึกคิดไปคิดมานะห่างอริยสัจไปเรื่อยห่างตัวเองไปเรื่อยแสดงว่า กลับมาใหม่นะเรียกเรียกขวัญคืนเถอะทียังไม่รู้มันเกี่ยวข้องอาเรียสัตย์ยังไงเลยคปฏิบัติมาเป็นปีปีก็พอพูดนึกถึงพระ ส, สูตรนะอ่าเนะี่ยมีตำรณะแนละ้วพระ ส, สูตร บ, บอกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดติดอะ่ะยังให้สักไปสู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นส่วนทั่วไปแล้วก็มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกางั้น เมื่อมีอวิชาเป็นเครื่องกางการกลับไม่ได้นึกถึงว่าจะเอาพระธรรมเป็นสารณะหรือพระธรรมกล่าวว่ายังไงฉั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าสงสารมากคกล้ายๆกับลูกหลานที่พ่อแม่ร่ำรวยนะเสร็จแล้วเวลาจะทำมาหากินนะใช้ฟีมือของตัวเองโดยที่ไม่คิดเออสมบัติพ่อเรามีจังเยอะแยะไม่ค่อยคิดอย่างงี้นะบอกว่าจะบุกบันลัก็บ หาด้วยลําแข่งของตัวเองแล้วภูมิใจว่างั้นธรรมะนะถ้ามันคิดได้เองภูมิใจนะถ้าศึกษามาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยภูมิใจเ อ, อแสดงว่าเราไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเรามีแนวความคิดลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ถึงไตรสารณคมนั้นอะ่ะเขาหม้อความไว้วไว้เนื้อเชื่อใจในภาษาสระจริงๆว่าผู้ที่จะพาเราให้พ้นทุกข์ได้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อัะนเะนี พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นโลกุตระนะนะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจปุ๊บนะเราจะไหวห ว, ว, ว, วังใจท่านนะั้นมาคิดตามท่านธรรมะเหล่านั้นเนี่ยควรต่อการเพ่งอยู่แล้วสัจธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์จะตรัสไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่คําเดียวนั้นถ้าเรามีศรัทธาที่จะคิดตามที่เรณาตามไข้ค ร, ครวนตามอัตธรรมะเหล่านั้นซึ่งเป็นของเกิยก็จะปรากฏนั่นแหละควรต่อการเพ่ง ไไ น, น่าุงสารสัตว์นะ ม, มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัญหาผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่แม่เส้ิญทางเฮ้ยน้อง ม, ม, มาลืมตาก็ไม่ได้ใส่ใจในสัตว์จะมากนะักเมื่อไม่ใส่ใจรู้สึกจะมีอวิชาด้วยนะหน้าสงสารเันนะยิ่งผมยิ่งหน้าโอ้โหยิ่งหน้าทุงสารใหญ่ที่ครับ<笑><笑>ก็บอกว่าสัตว์ในโลกเนี้ยมีมีใครบ้างที่ไม่หน้าสงสาร นะมหาการุณาติสมาบัติของพระผู้มีพระภาคนั้นแผ่ความการุณาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะเดียวกันนั้นพระองค์ก็เจริญกรุณาให้แก่เราแล้วล่ะนั่นหนละั้นขอให้เรานั้นกรุณาต่อตัวเองบ้างนะจะได้ไม่ปล่อยให้อวิชชาเนี่ยมันเล่นงานมากนักแล้วก็มีศรัทธาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนอ่ะนะมาพูดถึงอุปมาในไตรสรารนคมบ้าง ตอนนี้บ้นอยู่ในเรื่องคุณพระพุทธเจ้าอคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละจนกว่าจะซึ้งอ่ะของอรมาณ์นะตั้งแต่กล่าวถึงเรื่องไตรสารณคมรู้สึกลึกซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นกว่าเก่าเยอะเวลาไหว้พระสวดมนต์ดอนหลังเออปีติมันเยอะกว่าเก่านั่นแหละเราแสดงว่ามีตัฐานึกถึงวันนี้อ่านในอรคัทโภปมสูตรพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ว่า พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้แม้แต่ผู้ที่มีศรัทธาก็ไม่ไปสู่อบายนะเน่ยเราก็ไม่ได้คออื่นก็ศรัทธาในคำสอนของท่านก็เอาแล้วล่ะนะ<ม>นนข้ออุปมาในไตราสารนาคมก็บอกพระผู้ทายเจ้าเปรียบเหมือนพระจันเพนพระธรรมก็เปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของพระจันพระสองเปรียบเหมือนโลกที่เ อ, อิบอิ่มด้วยรัศมีของพระจันเพนที่ทาให้เกิดขึ้น ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ า, าเหมือนกับดวงจันทร์ใช่ไหมพระธรรมเหมือนแสงสว่างพระสงค์เปรียบเหมือนรัศมีของดวงจันทร์อุปมานี้ใครแจมแจ้งบ้างฟังแล้วหือแจมแจ้นงนักหรือไงโอ้อุปมานี้ทำให้เห็นชัดในไตสรสาระมากขึ้น น, นะอันของเรานี่ก็นั่งชมจันทร์ก็ยังดีนะเวลา <c oughs> ไม่ไม่ใช่นั้น น้ำชากระต่ายชมจันนะแต่ว่าของเราก็เป็นผู้ที่เห็นลัศษณของพระจย์เห็นพระจานทร์ปุ๊บโอ้โหเผู้มีพระภาคเนี่ยโดดเด่นแบบนี้เลยพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นอ่ะสว่างสวัยขนาดนี้เลยพระสงค์เนี่ยเป็นโลกที่เอิบอิ่มที่ถูกส่องให้มันสว่างสวัยนั่นแหละหร อ, อีกในหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมดังกล่าว เปรียบเหมือนขายรัศมีของดวงอาทิตย์นั้นก็คือแสงอาทิตย์อ่ะพระธรรมก็เหมือนกับแสงอาทิตย์พระสง์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกําจัดความมืดเสียแล้วนั่นแหละพระสงฆ์นี้ก็คือเป็นผู้ที่มีตาปัญญามองเห็นโลกและมองเห็นโลกสว่างสวยัยท่านมองเห็นอริยสัจนั่นแหละผู้ที่เห็นอริยสัจนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ที่ ได้รับแสงสว่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เห็นพระอริยาสารเลยนะก็ชื่อว่ายังไม่ได้รับแสงสว่างในพระธรรมที่สมบูรณ์นะเพราะว่าพระโสดาบันนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะถึงพร้อมด้วยการเห็นของเราก็เห็นสามท่านก็ยังดีอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเผาป่าอุปมานี้นะสมัยนี้เนี่ยสมัยที่ป่ามันหาน้อยนี่คนไม่ก็ชอบนั่ง น, นะ สมัยก่อนเนี่ยซึ่งป่าดงบลิบมันเยอะเหลือเกินเนี่ยคนก็ชอบถรทาทรามเปรียบเหมือนอพระธรรมเนี่ยเครื่องเผาป่าคือกิเลสเปรียบเหมือนไฟเผาป่านะพระสงฆ์ที่เป็นบุญญาเขตเพราะเผากิเลสได้แล้วนะพระธรรมก็เหมือนกับไฟอะที่เผาป่าป่าในที่นี้ได้แก่กิเลสป่าได้แก่บาปอกุศล พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่ถ้าทําเปรียบเหมือนน้ำฝนพระสง์ผู้ระงับละอองกิเลสเปรียบเหมือนชนบทที่ระงับละอองฝุ่นเพราะฝนตก